บรมังตะโปติติขานิพพานังวะทันติวังพุทธาวะทันติพุทธาตินวาระโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะไดแสดงพระ ธ, ธรรมปเทศนาะ ในงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาคบูชาซึ่งทางวัดสันติธรรมได้จัดให้มีขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สองที่ญาติโยมทั้งหลายผู้มี เป็นสัมาธิติเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในการที่จะเข้าปฏิบัติธรรมจำวัดจำศีลท่านตั้งหลายพระพุทธศาสนาคือคำสอนของ พระพุทธเจ้าเนี่ในประดิษฐ์อุบัติขึ้นมาในโลกนี่นับตั้งแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตรตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้นำเอาธรรมะคำสอนอันเป็นสัจธรรมความจริงนั้นมาสแสดง ธรรมะนั้นเป็นสวาคตะเป็นของจริงอันประเสริฐเริ่มต้นที่อริยสัจสี่ของจริงอันประเสริฐนี้เมื่อสแสดงออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยไปเรียนไปรู้ ในด้านทมคำสอนผู้ที่มีความทุกข์มีความนึกคิดที่จะพ้นจากทุกข์สนใจใฝ่ใจก็เข้ามาผู้ที่มีศรัทธาแข่กล้าก็เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นสมณนนีแต่เป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีผู้ที่ยังมีชีวิตครองเรียนอยู่ยก็แสดงตนเป็นูบาศกเป็นูบาศิกายอมรับนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อว่าเป็นศรณะ ที่พึ่งที่เคารพนับถือของตนจนตลอดชีวิตพระพุทธองค์ได้แสดงคำให้ปัญจวัคคีย์เป็นคำรบแรกเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกและกันแรกมันที่เรียกว่าพระธรมเทศนานั่นก็คือธรรมจักกับปะวะนสัสตร เมื่อแสดงจบผู้ที่มีปัญญาบา ร, รมีแก่กล้าคือท่านปัญจวคีรีผู้ที่มีผู้เป็นเป็นเป็นรันอยู่คือท่านโกนทัญญะก็ะได้ดวงตาเห็นธรรมกละไดขอบวชเป็นภิกษุกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงทานพุธานุญาตก็ มีภิกษุสงฆ์บัดขึ้นในโลกในวันอาสันหาบูชาจากนั้นพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมมันเป็นปกิณกะเทศนาสังสอนภิกษุวันจวิคีเหล่านั้นจนกระทั่งเถวเหล่านั้นได้สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อถึงวันนั้นสำคัญ เขาเหล่านั้นอบรมแก่กล้าสา ม, มารถที่จะรับฟังธรรมะชั้นสูงพระงก็เลยแสดงอนัตตลกันสูตรว่าด้วยเรื่องขันธ์้าว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวตนแสดงเสร็จภิกษุปัญจวคีก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต เพราะฉะนั้นพระอาหารหันตีนาสกจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในพรรษาแรกจากนั้นก็ได้จำพรรษากันอยู่ที่นป่าอีศิปตนาลบริคธายวันดังบทพุทธประวัติที่เราท่านทั้งหลายได้สะดับได้เรียนรู้มา แต่ในภรรษานั้นพระองค์ก็ได้พระสาวกอีก54 54รวมเป็นทั้งหมด60 60องค์รวมทั้งพระอรหันตสัสมาสัมพุทธเจ้าอีกเป็น61ในภรรษาแรกนั้นหลังจากออกพรรษาพระพุทธองค์ก็ส่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศประสาธนา ให้เขาเหล่านั้นนำเอาธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นทำกลางที่สุดคือเอามรรคอันประกอบไปด้วยองแปดหรือว่าสินสมาธิปัญญาเนนะ่ไปแสดงให้แก่ชนทั้งหลายเมื่อเขาทั้งหลายได้ได้ฟังธรรม ของพุทธองค์แล้วก็เกิดที่มีศรัทธาเรื่อมใสเขาก็อยากจะขอบวชพระพุทธองค์ก็ยังไม่ได้ประทานให้ภาษาวกบวชภาษาวกเหล่านั้นเมื่อมีผู้มีศรัทธากลุ่มบุตรอยากบวชก็พาไปพบพระพุทธองค์ทราบข่าวว่าพระองค์จเจด็จประทับอยู่ณที่ไหน ก็ตามไปที่นั้นแต่พอไปถึงสถานที่ที่ทราบข่าวว่าพระองค์ยังอยู่ประทับอยู่แต่พอเดินทางไปถึงตึงสมัยนั้นได้รับความลําบากพอไปถึงเอาพระองค์ไปแล้วสเสด็จไปที่อื่นก็ตามกันไปอีกทราบข่าวว่าอยู่ตรงไหนต่อไปเมื่อพบพระเดชองเห็นความลําบาก <c oughs> เห็นความลำบากอย่างนั้นรองก็เลยประทานอนุ ญ, ญาตให้ประสง์สาวบกทำการบวชกุลบวชกุรกุลบตรได้และต่อมาต่อมามีประสงค์มากขึ้นมากขึ้นรองก็ให้การให้ประสงค์เป็นผู้บวชโดยวิธียัติจตุทักษ ัะกระุกจะธุกรรมมาวาจาบวชเป็นการสงฆ์ในโลกประชามีพระศาสนาก็เลยแพร่หลายพระเจ้ า, าในสมัยนั้นพระเจ้าเสด็จไปอย่างแขวนมคตเพราะเพราะเมื่อหลังจากที่ออกพิเนตรกลมแล้วบวชแล้วเนี่ยไปแสวงหาโมกกาธรรมเด็ดไปพบพระพพเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเห็น บุญลักษณะรูปร่างของพระมหาบุรุษก็ประทับใจกระชวนให้มาสวยเมืองให้มาเป็นทหารเอกประองคไม่ประสงค์เพราะว่าประสงค์จะหาหาโมกขธรรมหาทางพ้นทุกข์พอพบผนทางพ้นทุกข์ก็เลยมุ่งเสด็จไปยังแก่นมาคต เพื่อจะโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารซึ่งตอนนั้นได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ห้าประการประการที่สำคัญก็คือถ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วก็ให้กลับมาในแวนแควงของพระองค์และขอให้แสดงธรรมพระเทเจารับคำปัติตโตแล้วก็เสด็จไปประทับอยู่ที่ สถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าสวนตาลสวนตาลหนุ่มและต้นตาลที่ไม่เหมือนต้นตาลในบ้านเรามีใบหนาไม่มีแฉกก็ประทับอยู่ตรงนั้นพระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวว่าพุทโธโลเกอุปนกพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกจึงได้พาบริษัทบริวารเข้าไปเฝ้า เรารวมทั้งหมดสิบสองหนาหดในวันนาหดหนึ่งก็คือหมื0 0หนึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นไปตามนั้นคนในสมัยนั้นก็ไปไปฟังไปฟังธรรมของพระเองค์สั้นๆว่าพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมเพื่อคอกจิตฟอกใจของพระเจ้าพิมพิสารโดธรรมอนุภูมิกัทาห้า จบลงด้วยอริยสัจสี่เมื่อฟังทาจบส่วนหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้อนอีกส่วนหนึ่งมีจิตใจหนักแน่นศรัทธาในพระธนรมตรย ได้แสดงตนเป็นรูปสุขุบาสิก า, ากนื่องกพระเจ้าพิมพีสารก็เห็นประสงค์จำนวนมากมีจำนวนมากจำนวนหนึ่งก็เลยถวายถวายสถานที่ประทับคือถวายเวรุ ว, วันเวรุวเวรุวันซึ่งเป็นสวนไม้ไผ่เป็นดุทยาน ให้พระองค์ประทับกับผสมปราชากะเศรษฐีก็ได้สร้างกติถวายในวันเดียวเดียวหกสิบหลังสาเร็จรองประทับอยู่ณ น, นั้นที่นั้นในระหว่างที่กประทับอยู่ตรงนั้นก็แสดงกรรมเอวพิษขายจาย์ก็ได้พระมฆาสาวกคือพระโมกคันลาสารีบุตร ก็ปักหลักมันปักหลักพุทธศาสนามั่นคงอยู่ในแคว้นมรดของพระเจ้าทีพิสารลุกมาจนถึง9เดือนถึง9เดือนวันนั้นเป็นวันเพนวันเพนเดือนเดือนสามในหลวงมาคะ วันเพนเดินสามมาคะพระจันทร์สวยสวยเริกมาคะวันนั้นเป็นอัศจรรย์ <c oughs> <c oughs> พระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ล้นแล้วแต่เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์เป็นพรเริยบุคคลชั้นสูงพระโสดาสกิทาคา อนาคาและพระอาหารหันต์ทั้งหมดส2พ0สองร้อยห้าสิบองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์พระรอรหันต์สมนามชื่อใ ช, ใช้เรียกว่าองค์เป็นองค์แต่เป็นพระภิสูตทั่วไปแล้วก็เป็นรูปพิสูตหนึ่งรูปสองรูปแต่พระอรหันต์นี่ใช่ว่าเป็นองค์พันสองร้อยห้าสิบองค์ต่างรูปต่างองค์ต่างมาโดยไม่ได้นัดหมาย และพิษุทั้งหมดนั้นเป็นเป็นผู้ได้รับการบวชจากพระพุทธองค์เป็นผู้ประทานให้จึงเรียกว่าเอหิพิคุพระเจ้าเห็นเป็นโอกาสอันดีเห็นเป็นโอกาสอันดีก็เลยก็เลยประทานโอวาทที่เราเรียกว่าปฏิโมกโอวาทปฏิโมก พระบาทปาติโมกแปลว่าแสดงธรรมอันเป็นหลักให้ภิกษุเราพันสองร้อยห้าสิบองค์นั้นได้สะดับงานเนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นเป็นความมหาศักริ์เเป็นค ว, ค, ปความสำคัญสี่ประการความสำคัญสี่ประการถึงเรียกว่าวันนั้นว่า วันจาตุรงคสันนิบาตคือพระ1ันสองร้อยหกห้าสิบองค์ล้วนแต่เป็นพระราหารันขีนาศบมาโดยไม่ได้นัดหมายต่างเป็นเจหิภูุพราะเจ้าถือเป็นโอกาสดีก็เลยแสดงแสดงธรรมมันเป็นเป็นหลักขึ้นต้นแห่งธรรมนั่นเลย ดังเทตมาภาพได้ยกขึ้นไว้เป็นข้อเบื้องต้นนั่นว่าคันติพลามังตะโปติติขาแปลว่าความอดทนความอดทน เ, นเป็นเป็นความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งคาําาตบะนี่แปลว่าเครื่องเผาเครื่องเผากิเลส เครื่องเผาเกล็ดราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือเรียกว่ า, วาความโลภความโกรธความหลงที่มันเป็นมันอยู่เป็นในเป็นสันดานของมนุษย์ผู้ติชนทุกคนทุกรูปทุกนามความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นฐานเป็นมูลเป็นมูลฐานของการทําอ การกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการทางกายทางวาจาทางใจรนแล้วแต่มีพื้นฐานมูลฐานมาจากความโลภความโกรธความหลงมาจากราคะโทสะ โ, โมหะจะพิติการพิติกรรมต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความพระพุทธเจ้า แสดงธรรมแสดงธรรมต่อไปอีกว่านิพพานัางพรังบงวันอันติพุท ธ, ธาว่านิพพานเนี่ยนิพพานแปลว่าสภาพอันหาเครื่องเสียดแทงไม่ได้เรกแปลสั้นว่าแปลว่าความดับความดับ ดับอะไรดับอาสวะดับอาสวะกิเลสดับอาสวะกิเลสอาสวะนี่นแปลว่าเครื่องซ่อมหมองอาอาอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองเครื่องหมักดองกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้ามองอาสวะนี่คืออะไรการอาสวะ ภวาเสวะแล้วก็อาวิชาสวะนี่แหละมันมันมันผูกมันมัดมันดองมันทำให้เราต้องลุ่มหลงัวเมากามาสวะอาเสวะคือกามคือความใคร่ความปรารถนาในรูป ในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสนี่เป็นเรื่องของความใกล้ความใกล้ในเรื่องของตา ม, า ม, า ม, เ, ามเมื่อตาเห็นรูปหมูฟังเสียงเือเยตนาภายในยตนาภายนอกเลยสัมผัสกันตาไปเห็นรูปเมื่อตาเห็นรูปต่อกันกับรูปก็เรียกว่าสัมผัส เมื่อตาสัมผัสทั้งสองทั้งสองรวมสามประการมันก็เกิดมันก็เกิดผลเรียกว่าเวทนาความรู้สึกเวทนามีสามอย่างสุข็เวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ผู้เบีขาเวทนาเมื่อตาเห็นรูปหรือหูเป็นฟังเสียงเป็นต้นนี่มันจะก็จะส่งผลให้ไม่อย่างไรก็อย่างหนึง่ง เมื่อเมื่อมันส่งผลไปเห็นรูปที่สวยงามพึงพอใจประทับใจเป็นความมันก็เลยเป็นความปรารถนาเป็นความอยากได้ความความอยากได้อย่าวรุนแรงก็แล้วเป็นตันหาอันนั้นเรียกว่าเป็นปียอารมณ์ปียอารมณ์นี่เมื่อมากระทบแล้วผล มันเป็นเอผลที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนามีชื่อตามอยายตนะภายในาอยนายตนะภายนอกว่าจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนาเมื่อเมื่อเป็นความสุขก็เกิดความความความรุ่งหลงความมัวเมาความปรารถนา อยากเขาเป็นเจ้าของอยากจะเกาะจะเกี่ยวจะจะหูจะหูจะหว่วงจะห่ว ง, วงสิ่งต่างเหล่านั้นเอาไว้เป็นของตนของตัวรุมหลง ม, ม, มัวเมาอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติของของบุคคลทุกผู้เป็นปุตุชนทั้งหลายทั่วไปเป็นอย่างนี้ตรงข้ามถ้าหากว่าสิ่งที่ สัมผัสตาเห็นรูปหมูฟังเสียงเป็นต้นถ้าไม่ประทับใจไม่พอใจในเสียงที่ได้ยินในรูปที่ได้เห็นไม่ปรารถนาก็เราเป็นอนิทธารมไม่พอใจไม่พอใจก็มีชื่อเรียกว่าจักขุสัมผัสสัจจา ทุกขเวทนาเป็นทุกข์แล้วอันนี้คือเรื่องของกามเรื่องของกามมันเป็นเครื่องหมกักเครื่องดองอันหนึ่งก็เลยว่าภาสวะสวาสวะนี่แปลว่าความความหมักความดองในเรื่องของพบ ทิ่นที่อยู่หรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทุกคนก็กปรารถนาอยากจะมียศอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีหน้าที่ที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งแล้วก็อยากเป็นสองมีหนึ่งไม่พออยากมีสองปรารถนาเรื่อยๆขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด มีแล้วก็อยากจะมียิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นเป็นภพเรียกว่าภาวาสะวะคือติดอยู่ในภพคณะเดียวกันคณะเดียวกันบางคนก็ไม่ปรารถนาเป็นแล้วมีหน้าที่การงานถือว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเกิดมีข้อ ห้องใจขัดข้่องไม่พึงประสงค์อึดอัดขัดข้องด้วยอำ น, นาจอะไรอะไรก็ตามถูกตำหนิติชิ้ น, นินทาออหรือลดยดลดตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่พอใจอยากจะไปเสียให้พ้นนตรงนี้ก็เป็นวิาวาทตัญหาจากจาก ภาวาตันหาเป็นวิภาวะตันหาบางคนถึงกับทําอัติณิบาตกรรมเนี่ยมันเป็นความเศร้าหมองมันเป็นเครื่องร้องเครื่องหมักอันนี้เรียกว่าภาวาสะสวะอีกอันหนึ่งเรียกว่าอวิชชาสะวะอวิชชาแปลว่าความความไม่รู้หรือว่าความงมงายความลุ่มหลง มันมาปิดบังอวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยแหละเ ป, เป็นเป็นต้นเขาของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพ้านในธทำปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัการสิบเอ็ดว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกข์คืออะไรทุกข์คือความแก่ทุกข์คือความเจ็บทุกข์คือความตายมันเป็นสภาวะทุกข์ประจําสังขารเนี่ นอกจากก็ความโศกเศร้าโศกาดุขลข่ำทรวนพิไยลำพันได้มาพัดพากจากไปหรือถ้าสิ่งนี้ที่ไม่พึงพอใจเป็นตนเหล่านี้เ ป, นเป็นเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายนี่มาจากอะไรพระพเองค์หลังจากที่เราตรัสรู้แล้วนะก็มาครอีกส่วนสัปดาห์แรกเลย นั่งอยู่ใต้ต้นโพลพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนึกถึงนึกย้อนไปย้อนมาหลายหลายครั้งว่าเออความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรทั้งกระสาวขึ้นไปโอ้ที่เราทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามันมาจากภพคือมีทีออ่มาจากความเกิดชาติความเกิด ชาติแปล ว, ว่าความเกิดชาตะชาติชาตะนี่ความเกิดนะความเกิดนีนมาจากอะไรหรอก็ะยอนไปนโอ้ที่ที่เกิดได้มันมีพบมันมีถิ่นที่อยู่พบมาจากอะไรพบก็กมาจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอุปทานมีสี่ประการกับโุปทานอัตราโมปทานสี่อย่าง อุปทานนี่มาจากอะไรก็มาจากตัณหาตัณหาสามภาะวะกรมาตตาหาภาะวะตัณหาวิภาะวะตัณหาตัณหามาจากอะไรตัณหานี่มันก็มาจากเวทนาหรือว่าความสุขความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเวทานานี่มาจากอะไร เวทานาเนี่มาจากได้ได้สัมผัสได้มาจากภาษาภาษามาจากอะไรก็มาจากความกระทบกันเราอายตนะคือตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นอายตนะนี่มาจากอะไรล่ะโอ้พอมีความรู้มีวิญญาณวิญญาณมาจากอะไรมาจากสังขารสังขารประวัติสภาพปรุงแต่งแห่งจิตใจความคิดของเราเนี่ยคิดดีบ้างเป็นกุศล คิดไม่ดีก็เรียกว่าเป็นอกุศลคิดก ล, กลางกลางก็กเรียกว่าอัพยะเกตนะอันนี้สังขารมันไม่เที่ยงสังขารมันไม่เที่ยงอันนี้ตรงข้ามกับสังขารที่เรียกว่ารูปร่างที่เป็นอุปตินกะสังขารหรืออนุปตินิกะสังขารที่มีใจก้องไม่มีใจกรองแต่สังขารตัวนี้หมายถึงสังขารในขันห้าของเราเนี่ยนะคือคือจิตเจตสิกหนะึ่งความนึกคิดเป็นบุญเป็นบาป สังขารนี่ที่พระเจ้าแสดงที่พระภิกธุเวลาเวลาพระภิกธุไปไปพิจารณาพระบางสุกุลก็พิจารณาว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวนาคามิโนอุปชิตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุขุสังขารหลายไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมปเป็ธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปความเข้าไประงับดับสังขารผิดสุขอย่างยิ่งความเข้าไประงับดับสังขารนียคือสังขารตัวนี้แหละสังขารในขันห้าคือความคิดตีคิดชั่วเนี่ยคิดกลางกลางนี่แหละสังขาร น, นี่มันมาจากอะไรโอ้เติบโตไปมาจากอวิชชาเออ อวิชชาเนี่ยเป็นเขาเป็นเขาของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นพ่อใหญ่เลยแหละเป็นแม่โคเลยตัวหนาตัวใหญ่ที่พระเจ้าพระอรหันตลาที่ได้ตรัสรู้เป็นผูธเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะข้ามอาวิชชาได้อวิชชาตัวนี้หลักเยอวิชชาอาวิชชาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความไม่รู้ ไม่รู้ในอะไรความไม่รู้ไม่รู้วันนี้ทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นเหตุความดับนี้เป็นความดับทุกอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกเป็นอริยสัจแปลว่าของจริงอันประเสริฐอริยสัจเนี่ยความจริงของจริงอันประเสริฐทุกสมุทัยนิโรธมากที่ พ, พระพุทธองค์ ในตรัสรู้ตรัตตุโลนี่ก็คือตรัตตุโลอริยสัจสี่ของจริงกันประเสริฐเราทั้งหลายยังไม่ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ยังไม่ได้เป็นอนุตตรพุทธอนุพุทธะเพราะว่าเรายังมีอวิชชาปิดบังอยู่คือยังไม่รู้เรารู้อยู่เรารู้อยู่ทุกเรารู้เรารู้เราเรียนมาอยู่ทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกคือคือ ทุกคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นทุกจังประจําสังขารทั้งมาประสบอาภ<ม>ัยหลังเราไม่รู้เรารู้ว่าเออนี่ทุกอ่านกันมาท่องกันมาเราจะรู้ว่าทุกขเวทนาเราจะรู้ทุกขเวทนา แต่เรายังไม่รู้ทุกที่แท้จริงเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพอาเราจํากันมาเราท่อมกันมาว่าทุกข์มาจากอะไรุกตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเรารู้ว่านี่โรดแปลว่าความดับทุกข์มีโรดความดับทุกข์ เรารู้ว่าเราศึกษามาว่ามรคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือคือความรู้ที่เราเป็นสัญญาแต่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้นี่ตรัสรู้อริยสัจสีเนี่ย ด, ด้วยญาณทั้งสามด้วยญาณทั้งสามญาณ ท, ทั้งสามคือสัจจะญาณ กิจยานแล้วก็กตายาณกิจยานคือรู้อย่างที่เรารู้เนี่ยอันเ ส, สัตสีทุกสมมทรในรอดมรรคพระเจ้ารู้ในกิจยานคือรู้ว่าทุกเป็นของที่ควรกําหนดรู้สมโมสยเป็นของ ท, องที่เป็นของที่ควกําหนดละนิรอเป็นของที่คนทําให้แจ้งมรรคเป็นข้อที่คนทําให้เกิดให้มีขึ้น ได้ยานที่สองพุธเจ่าได้ยานที่สองแล้วกาหนดจิตจนสำเร็จได้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาเป็นยานที่สามเรียกว่ากัตยาญแปลว่าที่ว่าทุกเป็นของที่ควรกาหนดรู้ขุธเจ้ารู้แล้วเป็นกัตยาญสมุทัยเป็นของที่ควรคือตัณหาสามเป็นของที่ควรกาหนดละพระองค์ละได้แล้ว เป็นเป็นกัตยานี่รอดปแล้วว่าของที่ควททำให้ไข่แจ้งให้ปรากฏพระองค์ก็ได้ทำสำเร็จแล้วได้ทำถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเป็นกัตายามรักข้อปฏิบัติให้ถือความดับทุกข์พระเจ้าได้ดำเนินวิถีตามนั้นจนสำเร็จเป็นกัตยาพยาปัญญพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจนี่ ด้วยยานทั้งสามจงอวนเป็นสิบสองเป็นสิบสองเนี่ยพระเจ้าใค ร, คร่ครวอโอต้นเขาจริงๆนี่มาจากอาวิชชาอาวิชชาเป็นต้นเขาของทุกทั้งหลายทั้งปวงนี่นะที่เราเกิดแก่เจ็บตายเยียนไหวแต้เกิดอยู่ในวัฏจัรสงสารนี่นะหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันแต่ ด, ดีตรงที่ว่าพระพุทธองค์ในบำเพ็ญ บำเพ็ญบา ร, รมีบำเพ็ญบา ร, รมีสิบทักมาหลายพวกหลายชาติหลายกับหลายกันไม่ทิ้งอุดมการสร้างบา ร, รมีมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงประชาติสุดท้ายเนี่ยอุบัติขึ้นมาเป็นลูกของกษัตริย์ประชาสุทธทนะเด่นนามว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้มีอเป็น เป็นเป็นคุปเป็นกุมกุมารสุคุม า, มาชาติได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีอายุสิบหกก็เขาอาวะวะหะบิวาหะใหญ่มีคู่ครองที่ดีเป็นบุคคลที่สมบูรณ์มีครอบครัวมีบุตรแต่พระองค์ด้วย พระบารมีที่บาเพ็ญความเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญโพธิญาณมาหลายภพชาติก็เป็นเหตุพระองค์ออกบวชได้แสวงหาทางพ้นทุกข์จนกระทั่งพบโมคตธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าและเรียนนำเอาคำสอนที่พระองค์ค้นพบนั้นม า, มาสแสดงให้แก่พุทธบริษัททั้งหลาย จนกระทั่งถึง mm hmm. พวกเราทั้งหลายทุกๆวันนี้มันพระพุทธเจ้าเยให้เราท่านทั้งหลายเนี่ซึ่งเป็นพูกที่มีจิตจำมาทิทีิสนใจไฟไใใจไฟรู้ในเรื่องธรรมะคาสอนก mm hmm. ังใจจะมาฝึกหัดปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจของตน น, น, นี่ให้เข้าสู่กระแสวิธีธรรม ทาำมาโดยตลอดเล้ยกย่องว่านิพพานนี่แหละเป็นเป็นสุดยอดเรีกว่าวิลา่ะธรรมก็เลยเลยเล ย, เลยนำเอาเอาเอ า, เอานิพพานนี่มาแสดงเราเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดประโยชน์ในพุทธศาสนามีสามประการประโยชน์ปัจจุบันที่เราท่านทั้งหลายต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ต้องขยันขันแข็งต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักบริหารทรัพย์ต้องรู้จักควบคนนี่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันก็คือความสุขเกิดจากการมีทรัพย์เกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์เกิดจากการไม่ต้องเป็นมิ่งเกิดจากการที่ทํางานที่ปราศจากโทษนี่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันคือความสุขทรัพย์สริงค้า ประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือว่าสำหรับไการถประโยชน์พุทธเจ้าก็บอกผนทางสวรรค์ว่ามนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมาไม่ถึง100ปีเดี๋ยวนี้ไม่ถึง100ปีละ70กว่าปีเนี่ยก็ถือว่าจะหมดไขอายุละขัยชีวิตละนะ้วก็อยู่เพียงแค่นี้พอเสร็จแล้วเราก็ลมหายตายจากหลับตาลาโลกไปร่างกายเราก็บูกสลายไป ธาตุสี่ขันห้าธาตุดินก็ไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟลมก็ไปสู่พลอลมทุกจริงทุกอย่างคืนสู่ธรรมาชาติเหลือแต่จิตและแต่จิตนั่นเป็นวิ ญ, ญญาณพิเศษตัวทิฐิวิญญาณวิ ญ, ญญาณเดิมมันไม่ได้หมดสภาพมันไม่ได้ตายไปกับรูปร่างกายของเราพอรูปร่างกายมันสลายไป แต่จิตมันไม่ตายมันไม่ตายออกจากร่างแล้วมันก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรก็เหมือนบ้านเรือนของเราเี่มันมันรั่วมันเติมมันใช้ไม่ได้ผูพังกูกรอนอ แ, แ, แล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องย้ายออกอะนะไปอยู่ที่ใหม่ไปที่ไหนล่ะอ่าจะไปที่ไหนก็มีสองทางสุคติกับทุคติทาทำดี ทางกายทางวาจาใจก็ไปสู่ทุกขติและสุคติถ้าทําทางกายวาจาใจเป็นทุจริตก็ไปสู่ทุกคติจะมีสองอย่างสุคติกับทุกขติทั้งเองจะไปสู่ทางไหนก็ อ, อยู่ที่การกระทําในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาไปเรียนไหวได้เกิดในสังสารวัตรไร้ภพไร้ชา ผลพพระพุทธเจ้าจึงถ้าอย่างนั้นจะเอาเอาประโยชน์ในภายภาคหน้าต้องมีศรัทธานะเป็นเบื้องต้นต้องรักษาศีล น, นะต้องให้ทานนะต้องหมันภาวนาบำรุงปัญญาให้เกิดขึ้นถ้าจิตเป็นสมถติเห็นตรงเห็นชอบแล้วแน่นอนรู้ว่าการกระทำของเราทุกอย่างมันเป็นกรร ม, มเป็นกรรม กรรมที่เราทำเนี่ยกรรมดีมีสองอย่างกรรมดีกรรมชั่วแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยวิบากมันมีวิบากหมดจะทำกรรมชั่วอย่างที่ผมมาพูดเมื่อกี้เนี่ยไปสู่ทุกขติกับไปสู่อบายที่อันมายาเริเป็นนรกเป็นตนจะทำความดีก็สังฆปรายนาไปสู่สวรรค์ที่อันเป็นที่รื่นรมรื่นเริง สวรรค์หกชั้นที่เราสัทว์กันมานะที่สุดหมดจากอายุกรรมนั้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบะระมีใหม่สร้างบุญสร้างกุศลใหม่หมหมตัวเวียนวไหวใจเกิดอีกอย่างนั้นแหละพระเจ้าเนี hmm. ่ยท่านละเอียดมากเลยปรารถนาให้มนุษย์ทุกรูปทุกนามที่เกิดมาทุกคนตกพายได โดนคราเดินทุกข์ครอบงำหมดเพราะนั้นพระองค์จงนำปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ถึงว่าถึ ง, ถงพระนิพพานาจึงได้แนะ น, นำเอาความรู้นั้นมาสแสดงสแสดงให้ภิกษุก่อนนะให้ภิกษุก่อนวันนั้นภิกษุพันสองรอยห้าสิบองค์มาเอาละเธอทั้งหลายนี่นะต้องบอกสถานญาติโยมนะให้อดทนนะ พ, พู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องอดทนอดทนอดกัน้นอดกั้นเนี่ยเป็นแปลว่าบัรมบาลมังคติอดอดทนอดกัน้นเป็นธบะคือเผากิเลสอย่างยิ่งสุดยอดเลยใช้คำในเรื่องของบารมีหรือววิริยะบารมีวิริยะบารมีคือความเพียร บริยบรยะบารมีแปลว่าความเพียรเพียรเพื่อเผากิเลสเพียรอันแรกคืออะไรสังวรประธานป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานในจิตใน ใ, นใจอันนี้ป้องกันทำรู้ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนข้อที่สองประหารประทานประหารคืออสิ้นชั่วร้ายทั้งหลายความไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่มันมีอยู่แล้วนี่กาจัด ป ร, รประหารประหารประทานคือกำจัดข่มสลับสละออกไปไม่ให้มันเกิดขึ้นอันที่สามภาวนาประทานกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนีต้องสังสมต้องสร้างต้องให้มีให้เกิดขึ้นผลมันก็คือความสุขความเจริญ สิ่งที่เราเราเราภาวนาไว้ทำความดีไว้แล้วนี่มันดีมันมีผลดีต่อเราเราก็ภาคภูมิใจในความดีที่เราทำผู้อื่นผู้รู้นักปราดทั้งหลายเห็นการกระทำของเร า, เาก็ก็ชื่นชมชื่นชมอนุโมทนาบางคนให้เกียรติให้ยศให้ตำแหน่งให้ความยกย่องนับถือ สร้างอนุสรณ์ไว้ให้ด้วยตาตาท่านตายไปแล้วเ mm. นี่ยความดีทั้งหลายทั้งรับผ ง, งทำความดีทั้งหลายมันมีอยู่เราชื่นชมคนอื่นชื่นชมรักษาอไวเลยว่าอนุรักษณาประทานนี่อิริยะบารมี mm. มันเราท่านทั้งหลายวันเนี่ยพากันมานะมาสร้างบารมีด้วยทานบารมีก็สร้างแล้วตอนเช้า ถวายข้าวปลาอาหารพฤฤสิสุสมมเณีศีลศิลบารมีแล้วก็รักษาไปแล้วความสงบเรียบร้อยทางกายทางวาจาไม่มีข้อบกพร่องใดๆทำได้เท่าที่ทำแต่ทำแล้วเป็นไงมันมันส่งผลมีอานิสงส์มันมีอานิสงส์มีความสุขมันเจริญด้วยพภค่ะ มันนำไปสู่ถีน่นิพพุตนิพุติความดับทุกข์เป็นความมุ่งหมายในขามาบาลมีเดี๋ยวนี้เรามาสร้างในขามาบาลมีสละสละกออกจากบ้านที่มีแต่ความบุ่นวายด้วยอารมณ์แห่งความรักความหลงความเมาความชังความเกลียดต่างๆนานานความวุ่นวายในกิจกรรมกิจการในบ้านมาในวัดนี่เน วัดเทเลวาอารามเ ป, ปว่นสถานที่อันพิทีรื่นรมต่างคนต่างถือปฏิบัติไม่รบกวนใดๆกับใครปลอดอารมณ์ทำให้จิตว่างในคำะเรามาบวชมาบวชแล้วก็สร้างปัญญาคือความรู้ในทางพุทธศาสนาที่ ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดได้นำเอาคำสอนของพุทธองค์มาสแสดงให้เรานับไ ด, ได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นทางนำมาแห่งความสุขไปสู่ไปสู่แห่งความสิ้นทุกข์ให้บาหรือให้บรนเทาเ บ, บาบาๆแล้วก็เห็นว่าดีแล้วแล้วก็ พยายามเพียรมีขันติตั้งอาทิตตัจจ์ตั้งสัจจ์เพื่อว่าเอาจริงสัจจ์มันน้อยไปอธิษฐานเราอธิษฐานบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าอธิษฐานบารมีเลยจะนั่งอยู่ตรงตรงคอนต้นอัศจรรย์นี่แหละต้นโพนี่จะนั่งอยู่อย่างนี้จะมายอมลุกจากที่ ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งหาไปเหลือแต่หนังห้่มกระดูกจะไม่ยอมลุกไม่ยอมคลายถ้าไม่บรรลุธรรมนี่เรียกเลยว่าสัตว์จะอธิษฐานไว้ถ้าทำได้อย่างนี้เนะี่ยมีความอดทนมันสำเร็จมันสาเร็จได้ไม่มากก่อน้อย เมื่อได้แล้วพบว่โอ้จิตใจมันกว้างขวางนี่ความเมตตาความปรานีในหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นกับเราเลยมันไม่แต่พูนร่วมโลกร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่เกียงไม่งอนมองเห็นแต่ว่าเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์จะอยู่ในโลกนีอ้อย่างไรไม่รบกวนกัน จิตใจมก็วางเฉยวางเฉยแผ่เมตตาแผ่เมตตาถ้าสา ม, มารถว่ามนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์เหมือนเราเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์อย่างนั้นถ้าบุคคลผูต้ตกทุกข์ได้ยากเราสา ม, มารถที่จะช่วยเหลือได้เราจะช่วยเหลือความกรุลนามันก็เกิดขึ้น ผู้ที่ทําคุณงามความดีทําบุญทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งหละเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็อนุโมทนาชื่นชมชื่นชมในความดีที่เขาทําเขาสําเร็จแล้วก็นักเหลงพอมุติตาินดีด้วยความดีที่เขาทําแล้วมันสำเร็จมุติตาก็เกิดขึ้นเนื้ออุเบขา ผูเบขาเนี่ยแปลว่าความวางจิตเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไม่ลําเอียงคนเราส่วนใหญ่แล้วมันจะลําเอียงเพราะรักบ้างเพราะชังบ้างเพราะหลงบ้างเพราะเมาเพราะกลัวบ้างการศัดสิยอะไรมันก็ผิดพลาดหมดเลยเพราะว่าใจไม่เป็นกลางไม่รักกับชังแ่ละในหมู่ชนทั้งหลายทั้งลูกทั้งหลานทั้ง ลูกสิลูกหาต่งางผู้ใจบังคับบัญชาเมันจะมีแหละไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจมันหนักแน่นแล้วเนี่ย ม, มันมีพรหมิหารแล้วเนี่ยพออุบเบกขามีพอมีอุบเบกขาพุ๊เมตตามันก็มีกรุณามันมีมุจตามีมันสงสารสัตว์โลกคพระเจ้าองค์เนี่ยทา่ทานทา่ทานทำท่านบอกท่านสอนเลย สอนพระก่อนพระต้องไปทําอย่างนี้นะไปแสดงธรรมนะเมื่อเข้าไปแสดงธรรมเนี่ยพรองค์บอกว่าอย่า ก, กล่าวอย่าว่าร้ายนะอย่าว่าร้ายอยากอยากกล่าวร้ายคนต้องติดตั้งจิตเป็นกลางผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นบรรพชิตน่จะไม่เบียดเบียนและจะไม่อจะไม่ไมทําร้าย จะไม่ทำ้ายคนอื่นผู้ที่ผู้ที่เป็นสมณะเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วบอกแล้วพระเนี่ยท่านบอกว่าอ่าอ่าจินเตจเจ ะ, จะ โยโยโคเพียงประกอบในจิตให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงประกอบจิตให้สูงดีคือยกยกจิตขึ้นสูงเมื่อจิตสูงแล้วมันก็จะมองเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นมองเป็นธรรมดาเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้เลยอนุปปานุปวาโดอนุปคาโตการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายปาฏิโมเคเฆยจะสโโร้างวโรความสำรวม ความสำรวมในปฏิโมกต้องมีล ะ, ะตระวังพระนี่จะไปไหนมาไหนนี่ต้องมีปฏิโมกสังบอนต้องสำรวมสํารวมอินทรีย์ด้วยความสํารวมสังบอนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วเมื่อเมื่อสถาญาตโยมเห็น mm hmm. เห็นพระสํารวมดีถ้าก็ชื่นชมเคารพเรื่อมใส mm hmm. ถ้าสํารวมในปฏิโมกด้วยก็ออยิ่งจะมั่นใจในพระพุทธสูตรสม mm hmm. นี่ก็เป็นจุดที่ทำให้การเผยแพร่นันดำเนินไปได้ดีและใ ห, ให้บอกญาติโยมเลยว่านี้ตามที่พระุทธองค์บอกได้สั่งไว้ในวันวันปฏิโมกวันมาฆบูชาเนี่ยสภาพาภาษากระนังตอบป็นขสอนอย่างนี้นะการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงกุรลสุปปะสัมปทายังกุศลให้สิ่งพร้อม สัจจจะปรปะโยชน์ถ้าปัณณ์การชำระจิตของตนให้สะอางดผ่องใสจากโลภโกรธหลงเอตังภู ธ, ธานาสัตนา น, นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าสมณาคนดิมตอนนั้นพระเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแล้วในโลก ấy, เนี่ยก็จะสอนอย่างนี้เหมือนกับทุกๆทุกนามดังวันนี้เราท่านทั้งหลายได้พากันมาบริสุวัดปฏิบัติธรรม วันนี้เป็นวันที่สองเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์ุรตประสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแม้พระพุทธเจ้าจะเดจะเด ด, ดับคฏิันธ์คนิริธพาน์ไปนานแล้วเนี่ยแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังดำรงอยู่ที่ประสงค์นำสืบเราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีบุญมีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้สืบชีวิตมาจนท้งถึงวันนี้ได้พบพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จ ด, ดับปฏิปีผ่านไปนานแล้วแต่พระธรรมคำสอนนั้นยังดำรงอยู่และที่สำคัญคือเราเป็นผู้น้อมเอาธรรมะเรามีชิตเป็นสัมมาทิฏฐิเข้ามาประพฤติปฏิบัติมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัตินั้น จะนำไปสู่ให้ความพ้นทุกข์ได้อิมินากตะคุญเยนด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่เราทนทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจกันมาแล้วมาประกอบพทธวัตรปฏิบัติธรรมเพื่อจะถวายไว้เป็นพุทธบูชาด้วยอำนาจกุศลความดีทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอตั้งจิตอารัธนาคุณพลัตนาไกร จงได้ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันตันทั้งหลายให้ปราศจากโรคาอาพาธภัยพิบัติอุปัติภัอันตรายขอให้มีความสุขความเจริญจะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปทังชอบในสมดุงความนึกคิดเั้นจงทุกประการเทศนาปัญหาในเรื่องของวันมาาบูชา เห็นว่าสมควรจะเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้